ตังคณิกะปจเวคขะปาทะนามยังตังคณิกาปจเวขะปาทังพนามเสปฏิสังขายโนิโสจิวรังปฏิเสวามีเราย่อมพิจารณาโดยแยกคายแล้วนุ่งห่มจีวร ยาวะเทวสิตาสาปฏิคตาญาเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหาสาปฏิคตาญาเพื่อบำบัดความร้อนนางสมกสวตาตตปสิริงสปสัมภัสานางปฏิคตาญา เพื่อบำบัด ส, สัมผัสอันเกิดจากเลือยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งลหลายยาวาเทวาหิริโกปินาปฏิชาทนนาทังและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอาย ปฏิสังคายนิโซบินปาตังปฏิเซวามีเราย่อมพิจารณาโดยแยกคายแล้วฉันบินทบาทเนวัวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเรลิดเปลินสนุกสนานนามทายา ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดามนาวิภูสนาญาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวเทวิมัสกายสติทยิยา แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปัญายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิหิงสุปัรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมจริยานุข า, ายา<อ>เพื่ออนุก์แก่การปราพฤชพรหมจรรย์ อิติภุรานันจะเวทนาปฏิหังขามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระ ง, งับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทน า, นาอุปาเทศามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น ยาตราจเมีภวสติอนวัตชะตาจะพาสวิหารโรจารีอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยภาสุขด้วยจักมีแก่เราดังนีง้ ปฏิสังขายนิโสเสนาสนังปฏิเสวามีเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสนาสนะยาววเทวะสิตาสาปฏิคาตายาเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสาปฏิคาตายาเพื่อบำบัดความร้อน ดังสมักสะวตาตัสปสิริงสัพพสัมผัสานังปฏิคาตายาเพื่อบำบัด ส, สัมผัสอันเกิดจากเลือโยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งลหลายยาวะเทวาอุตตปิสัยวิโนทนางปฏิสันลานารามทาง เพียงเพื่อบันเทาอันตรายอันจะพึงมีจากบินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่รีกเล่นสำหรับภาวนาปฏิสังขยโยนิโสคิลานปัจจะยาเพศชะปริคารังปฏิเสวามีเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้ว บริโภคเภสั์บริขารอันเกื้อกูลแก่คนไขายาวะเทวอุปันนานังเวยาภาธิกานังเวทนานังปฏิคาตายา<อ>เพียงเพื่ อ, อบำบัททุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอัพยาปัจชาปรมตายาติ เพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้